จากนี้ไปเป็นการแสดงป า, กาทกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ถูกต้องโดยพระธรรมโกสาจารย์ปัญญานันทพิขุวัดชนบทานลังสริต ป, ป่าเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่23กรกฎาคม2543ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัด น, นี้ ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก่อให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นา ต, ต, ต, ต, ตามสมควรแก่เวลาวันนี้ปณาทิ์รูรดูการเข้าพรรษา เราทั้งหลายที่เคยมาวัดเป็นประจำก็ได้มากันตามปกติแต่ว่าในนี้มากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมประสงค์ด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นการบูชาแท้ ด้วยดอกไม้ทูบเตียนเครื่องสักการะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กัดกับพระอนอนท์ว่าดูก่อนอนอนท์ตาตาคตไม่ชื่อว่าได้บูชาด้วยดอกไม้ทูบเตียนเครื่องสักการะการบูชาที่แท้จริงนั้นพระองค์กัดว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใด ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมะอยู่ผู้นั้นได้ชื่อว่าสัจการะเคารพนับถือบูชาตาตาคตด้วยการบูชาสูงสุดการบูชาด้วยวัตถุเรียกว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิปติบูชา การบูชาด้วยอามิตรแม้จะมีมากมายสักเท่าใดไม่ทำให้ศาสนามั่นคงตาวอแต่การบูชาด้วยการปฏิบัติคือการทำจริงตามสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนว่ายเรียกว่าปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเป็นการสืบศาสนา ทำให้ศาสนาเจริญอยู่ในใจของเราเจริญอยู่ในทุกคนเป็นศาสตร์เป็นความเจริญแท้แต่ความเจริญเพียงไายอกเช่นมีวัตถุมากๆ ม, มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีเจดีย์ใหญ่มีวิหารใหญ่อะไรอย่างนี้ไม่สามารถจะรักษาพระศาสนาไว้ได้ในประเทศอินเดีย พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเจดีย์ถึงแปด0มืนสี่ปันองค์ผลที่สุดเจดีย์เหล่านั้นพังไปเหลือแต่ซากเป็นกากอิดกากปูนศาสนาไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยวัตถุเหล่านั้นแต่ตัวศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาชวนการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เผยแพร่หลักธรรมะให้แก่ประชาชนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นให้เราถือว่าการปฏิบัติบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการบูชาที่แท้การบูชาด้วยการปฏิบัติไม่ต้องมีดอกไม้ธูปเทียนไม่ต้องมีอะไรมากมายเ้าได้ แต่ว่าเราทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดสงบสว่างตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นการบูชาแท้เพราะฉะนั้นให้ช่วยกันบูชาด้วยการปฏิบัติเกิดทำตามคำสอนช่วยกันรักษาศีลช่วยกันฟังธรรมช่วยกันเจริญภาวนาอย่าทำคนเดียว แต่ชักจูงคนใกล้ๆเกียงเกียงเช่นเราชักจูงคนในครอบครัวให้ประพฤติธรรมร่วมกันครอบครัวใดที่มีการประพฤติธรรมร่วมกันครอบครัวนั้นจะมีความสุขมีความสงบไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาในสังคมใดถ้ามีธรรมะหัวหน้าถือธรรมะลูกน้องถือธรรมะทุกคนปฏิบัติธรรมะ สังคมนั้นก็มีความสุขความเจริญประเทศชาติก็เหมือนกันถ้าว่าคนในชาติชวนกันประพฤติ ธ, ธรรมประเทศชาตินั้นก็เจริญข้าวหน้าเป็นไปด้วยดีแต่ถ้าคนในชาติไม่ประพฤติ ธ, ธรรมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดกลุ่มรวมจิตใจ ก็ไม่ทําให้ประเทศชาติจเจริญพัฒนาแต่จะทําให้เกิดปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นด้วยประการต่างๆในโลกทั้งโลกนี้ก็เหมือนกันแต่คนทั้งโลกชวนกันประพฤติ ธ, ธรรมโลกก็จะสดใสขึ้นแต่ถ้าไม่ประพฤติ ธ, ธรรมโลกก็จะไม่ก้าวหน้าขณานี้ก็มีการประชุมเจดชาติคือพวกเศรษฐีทั้งนั้นชาติที่บางครั้งโดยทรัพสมบัติ ไปประชุมกันที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นแล้วในการประชุมนั้น้องใช้ตำรวจทหารเป็นจำนวนมากแวดล้อมอ้ามไม่ให้เรือใดๆเข้าไปในบริเวณนั้นไม่ให้การประชุมเปิดอุปสรรคข้อขัดข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพวกเศรษฐีพวกนายทุนใหญ่ก็ประชุมกันเพื่อจะ พิจารณาว่าจะลดไม่เอาเกงินค่าเยืมไปใช้อะไรอะไรในต่างประเทศคือลดหนี้ให้เขาลดหนี้ให้แก่ประเทศเล็กๆประเทศที่ได้พัฒนาแต่ว่ายังไม่ตกลงกันเพราะการประชุมเพื่อให้มันลำบากแต่ถ้าประชุมเพื่อจะเอามันง่ายดีคนเรามันชอบเอามากกว่าชอบให้ เพราะฉะนั้นถ้าประชุมอะไรเพื่อจะเอาแล้วก็เร็วแต่ถ้าประชุมเพื่อจะให้มันช้าหน่อยมีปัญหาเยอะปัญหามันเกิดจากอะไรก็ เ, เกิดจากความเห็นแก่ตัวนั่นเองคนที่ไปประชุมยังเป็นปุตุชนเป็นคนที่มากไปด้วยกิเลส <c oughs> แม้จะเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นๆ กเรียกว่าเป็นใหญ่ในทางกะดีลูกแต่ว่าจิตใจก็ยังตกอยู่ในอำนาจกิเลสยังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ได้ยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของผู้อื่นมันก็ยุ่งกันต่อไปลูกจะสงบไม่ยุ่งก็เพราะว่าทุกคนประพฤติธรรมประพฤติธรรมไง่ายๆก็คือว่าเสียสละ ประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอะไรมันก็สงบเรียบร้อยไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรในบ้านเมืองของเรานี่ก็มีปัญหาพวกสมัชชาคนจนมาจากภาคตะวันดอกเฉียงเหนือเรื่องมาขอสตังค์ค่าทําเกินสีสไลเกินชิรินตอนเกินปากมูลบอกว่าทําเกินแล้ว เขาลำบากการทำมาหากินไม่สะดวกไม่สบายมาของเงินชดเชยความริงก็ให้กันไปแล้วเป็นเหล่านี้ชดเชยกันไปแล้วแต่พวกที่มาขอไม่ใช่พวกที่อยู่ในบริเวณที่จะได้รับการชดเชยมันเป็นพวกอื่นรวมตัวกันข้าวเรียกว่าสมัชชาคนจนแล้วก็มานั่งกันอยู่ข้างทำเนียบ มีการปีนป่ายกำแพงข้าวภายในทมเนียบตำรวจก็ไม่ให้ข้าวเลยถูกทุบถู ก, ถ ก, ถกทีเดือดร้อนกันไปตามกันแล้วใครๆก็หาว่ารัฐบาลทำกาทำท า, ท า, ทารุณหยาบช้าตุกตีคนที่มาขอร้องสิทธิต่างๆความจริงไม่ได้หยาบช้าอะไรแต่คนที่มาขอมันไม่สำรวมไม่ระวังต้องการจะเข้าไปให้ได้ เพื่อจะพบท่านนายกรัฐมนตรีปัญหาจึงเรือรองตกลงกันไม่ได้แล้วก็พูดที่มาขอก็ขอสิ่งที่เขาจะให้ไม่ได้มันก็ลำบากแด ด, ดร้อนประชาธิปไตยในบางทีมันก็ไม่เหมาะเหมือนกันเพราะว่าคนทุกคนทำอะไรได้เดินกบวนได้ไปขอ้องอะไรก็ได้ขอมบอะไรก็ได้ เป็นระบอบราาประชาธิปไตยที่เขาสมมติกันขึ้นแต่ความจริงมันเขาไม่เป็นธรรมมาธิปไตยเพราะคนเหล่านั้นไม่อยู่ในธรรมะไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นหลักพิจารณาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจคิดอะไรคิดเพื่อจะเอาท่าเดียวไม่ได้คิดว่าถึงเรื่องอื่นให้มันรอบคอบบ้านเมืองในเวลานี้อยู่ในฐานะลําบากยากจนแล้วจะมาขอเงินขอทอง ยาวกันที่ไหนให้เงินที่จะตั้งเขาประมาณเพื่อการใช้สอยก็ยังไม่ค่อยจะพอใช้เพราะการเก็บภาษีได้น้อยรายจ่ายมีมากเป็นลูกหนี้เขหลายอย่างทําให้เกิดความลําบากแต่คนไม่ได้ค่อยคิดถึงเรื่องอย่างนี้เพราะเรามองแต่แง่เดียวมองอะไรมองแง่เดียวมุมเดียวไม่ได้มองปหลายหลายมุมหลายแง่ เพื่อจะได้พิจารณาให้รอบคอบตามห ล, ลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนมีเหตุมีผลทำอะไรอย่ามองด้านเดียวอย่ามองแง่เดียวแต่มองทุกด้านทุกแง่ทุกมุมให้เห็นชัดเจนแจม่มแจง้งให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันเกิดมาจากอะไรและก็จะเกิดอะไรต่อไปเราต้องเข้าใจ แต่คนเขาไม่มีปัญญาที่จะคิดอย่างนั้นที่จะมองอย่างนั้นเลยไม่เข้าใจเรื่องทำอะไรก็ก่อปัญหาให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแล้วคนที่ก่อปัญหานั้นสำคัญตนว่าถูกทั้งนั้นแย้จะกระทาอะไรไม่ถูกเขาก็ว่าเขาถูกเขาไม่ผิดตำรวจมาจับเขาทำไมเขาไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างนี้ มองในแง่แงเดียวว่าไม่ผิดแต่ไม่ได้คิดว่าเราทำอะไรบ้างการกระทำนั้นมันถูกต้องหรือไม่การบุกลุกสถานที่ราชการนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่การเข้าไปสู่สถานที่ราชการไม่ใช่เปิดประตูเดินเข้าไปมันคนไปติดต่อหน้าที่การงานแต่ว่าปีนกำแพงเข้าไปปีนประตูเข้าไป เอาบันไดมาพาดกำแพงแล้วเปลีนบันไดบันไดหักตกลงมาก็ได้รับความทุกข์ความทร้อนแล้วถ้าตำรวจเข้ามาจัดการก็หาว่าไม่ยึดติดต่ำอย่างนี้เขาเรียกว่ามองแห่เดียวไม่ได้มองอีกแง่หนึ่งคนเราถ้ามองแห่เดียวแล้วก็เถียงกันตายทะเลาะกันจนตายเพราะมองไม่ไม่ถูกต้งสองแง่ไม่มองให้ชัดว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่แต่มองคิดไปว่าใครถูกใครผิดนะมันคิดแต่เรื่องกลุ่นไม่คิดถึงเรื่องการกระทำพระทาจานสอนให้เราคิดในแง่การกระทำเพื่อคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยาจาสอนให้คิดอย่างนั้นอย่าเอาคนเข้ามาคิดแต่เอาคนเข้ามาคนไหนถูกคนไหนผิดคนไหนดีคนไหนชั่ว มันก็เกิดความลำเอียงเพราะคนเรานั้นความลำเอียงมันเป็นปกติอยู่ในใจแล้วลำเอียงเพราะรักบ้างลำเอียงเพราะชังบ้างลำเอียงเพราะกลัวบ้างลำเอียงเพราะหลงบ้างข้าวข้างใครก็เห็นคนนั้นดีแต่ถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ว่าคนนั้นไม่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างเทียนง่ายวันนี้เป็นวันที่ชาวคอตอม อ, อย่าต้องตัดสินใจ ราะเป็นวันที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมอผู้ว่าราการกทออมอคนสมัครเยอะสมัครกันพอเป็นต้นไม้ประดับบัวดำมีก็มีสมัครเพื่อเอาจริงเอาจังก็มีมีคนที่คนมองแล้วพอจะเลือกให้ไปเป็นผู้ว่าได้ไม่กี่คนดอกนั้นก็เป็นตัวประกอบเป็นตัวตลกสแสดงให้มันเ ค, ครื่นขึ้นมาหน่อยก็นด้เอง แต่ก็แสดงกันเต็มที่ครบจำนวนเวลาแล้วแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแสดงพวกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าคาอตมป่านนี้อาจจะยังนอนอยู่ก็ได้เพราะไม่ต้องวิ่งไปหาเสียงที่ไหนแล้วไม่ต้องไปพูดกับใครแล้วก็ไม่ให้พูดแล้วไม่ให้ทำอะไรก็คงจะนอนพักรักษาลําคอที่มันแห้งเกิดรอบพูดมากเกินไป และทําอะไรอะไรที่มันไม่ต้องวิ่งต้องเต้นพัก่อนนอนฟังเสียงว่าตอนเย็นสิบป้านารีกาเนี่ยปูจะได้หรือกูจะไม่ได้ก้อนไหนได้ก็สบายใจแต่ก้อนไหนไม่ได้ก็อัดต่อไปคือเป็นทุกต่อไปตามแบบการต่อสู้พระพุทธเจ้าบอกว่าการต่อสู้มันมีสองอย่างฉรังเวรังปัสสวัตติปูชนะก่อเวน ทุกขั้งเสติปราติโยกูแพฝนอนเป็นทุกข์ผู้ไดชนะก็ฮึกเอิ่มใจดีใจกูเก่งกูกล้ากูสามารถแต่คนไหนแพ้ก็นอนเป็นทุกข์เพราแม่เราไปเสียท่าแม่คนนั้นไปเสียท่าพ่อคนนี้มันไม่น่าจะอย่างนั้นไม่น่าจะอย่างนี้ก็เสียใจนอนเป็นทุกข์ชนะเป็นสุขแพ้ก็นอนเป็นทุกข์ไปตามเรื่อง พระพุทธเจ้าจึงจอดว่าผู้ที่ไม่แพ้ไม่ชนะนั่นแหละคือผู้ประเสริฐผู้ไม่แพ้ไม่ชนะคือไม่ลงไปแข่งขันกับใครแม้ไปแข่งขันถ้าแข่งขันโดยธรรมมันก็ไม่ยุ่งทำอานไปตามหน้าที่สมัครตามหน้าที่ได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่หาเสียงไปตามหน้าที่โฆษณาเต็มที่ตามโอกาสที่จะทําได้แต่ว่าใจนั้น ลอยวางเฉยๆได้กรณีจะได้รับใติประชาชนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนอื่นเขาเลือกเขาเลือกกรดีเขาไม่เลือกเราก็ไม่เป็นไรแต่คิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทุกไม่ต้องไปนอนเรียบแหลด้วยความทุกข์ความแปรร้อนใจแต่คนที่คิดอย่างนั้นมันน้อยคิดจะเอากันทั้งนั้นต่างคนต่างคิดจะเอาบางคนไม่น่าเลยที่จะไปสวัสดเข้าไป แต่อุตสาห์ไปสมัครเสียเงินเสียทองเสียป้ายาค่าโฆษณาแต่ผลแต่เพียงว่าทําให้คนรู้จักขึ้นว่าคนคนนั้นเคยสมัครผู้แทนมีคนหนึ่งในกรุงเทพแกสมัครทุกที่ผู้แทนแกก็สมัครสอวอแกก็สมัครหามว่าว่าผู้ว่าว่าวาวาทอมอแกก็สมัครไม่ว่าเขาเปิดรับสมัคตอะไรแกก็สมัครทุกทีแล้วไม่ได้สักที แต่แกก็สมัครทุกปีเป็นการพูดศาสนาตัวเองให้คนได้เห็นชื่อแล้วพูดอะไรแปลกๆจะพูดเรื่องกับจราจรเ น, นี่ยบอกว่าจราจรมันขับข้างบอกว่าทาไมให้ขับข้างมันก็ได้ตามจเช้าลอยกวา้าแล้วเอาคนใส่กระเจ้าไปปล่อยลงที่นั่นไปปล่อยลงที่นี่ตอนนมันก็ไม่ขับข้างพูดให้คนฟังสนุกเล่นแล้วจะทำได้อย่างไรทากระเจ้าอย่างนั้น ขนคนเป็นจำนวนล้านจะไปขนได้อย่างไรแกก็พูดสนุกไปตามเรื่องการจราจรติดขัดเพราะติดคอยแดงไม่มีคอยแดงเลยมันก็ไม่ติดัไปกันใหญ่แข่งกันไปไม่มีไม่มีติด เ, เพราะไม่มีคอยแดงแกก็พูดไปเป็นสำนวนสนุกไปอย่างนั้นไม่ได้พูดเพื่อจะเอาคะแนะนะอะไรพูดแต่วันได้หัวเราะกันแกมีสตังค์สำหรับทําให้คนหัวเราะเล่นได้ แกก็สมัครทุกทีน่ไม่ใช่เพื่อจะเอาแต่สมัครสนุกสนุกมีการสมัครทีไรก็สมัครทุกทีเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรามันมีหลายแบบแบบที่ตั้งใจจริงก็มีไม่ตั้งใจจริงก็มีทําเพื่อได้ก็มีทําเพื่อไม่ได้ก็มีมันก็เป็นอย่างนั้นเราดูก็ลูกเขาวิ่งเขาเต้นเขาเป็นไปในรูปต่างๆก็ อย่าไปดูด้วยความยึดมั่นถือมัน่นดูด้วยความปล่อยวาง ด, ด้วยความไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นดูเห็นเป็นของขํำเป็นของแน่นไปตามเรื่องตามราวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเขาบางคนปล่อยเป็นทุกข์กับเขาฟุตบอลแป้ก็ปล่อยเป็นทุกข์มอยแปะก็ปล่อยเป็นทุกข์เพเอาจริงเอาจังเพราะท่านสอนว่าอย่าเอาจริงเอาจังกับสิ่งตั้งหลายมากเกินไป ทำไปตามหน้าที่อย่าไปคิดว่าจะได้อะไรจะมีอะไรจากสิ่งที่เราทำนั้นมันก็ไม่ต้องเป็นชุกเปิดร้อนใจแต่คนทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะใจยังอยากจิตยังตกโยแรงนาจของกิเลสตกโยแลงนาจของความลูกของความโกรธของความหลงของความวิษยาพยาบาทอาฆาตจองเจนไม่เป็นไทแก่ตัวไม่เป็นมนุษย์ ตามหลักการในตามธรรมะตัวจึงมีความทุกข์มีความแทรกร้อนใจด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้จากเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอันนี้เราทั้งหลายแม้ว่าอยู่ในโูกแต่อย่าไปขึ้นเวทีอย่าไปขึ้นเวทีแสดงกับเขานั่งอยู่ข้างสนามดูเขาชกเขาต่อยไป แต่อย่าไปดูเอาจริงเอาจังคนที่ดูมวยนะมันทาท่าชกอยู่ตลอดเวลาอ่างนั้นอย่างนี้ผู้มันแล้วมันพูดทําไมไม่ชกลูกข่างทําไมไม่อะไรไอ้คนชกมันก็คิดจะชกมันกันแต่มันชกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ชกปัทถุนิ่งมันชกคนที่เคลื่อนไหวได้แล้วคนที่เคลื่อนไหวก็เป็นคนที่คิดจะชกเราอยู่เหมือนกันเพราะงั้นช่องทางมันไม่มีแต่คนดูมี มีช่องมีทางเฮโลอยู่บางทีก็ไปชกคนข้าเกียรเพราะนึกว่าเป็นมวยอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้มันเอาจิงเกินไปหรือคนไปดูลิเกดูละครดูจริงจังเกินไปพระว่าดูร้ายเข้ามาทุกบร่าเอกแกโกรธขึ้นไปบนเวทีเอาตะบันไปทุบหัวไอ้คนที่แสดงเป็นโจร เมืองนี่เป็นโจรดูร้ายทุบหัวเปรี้ยงลเลยถูกตำรวจจับไปโรงพักหนาะว่าไปทำร้ายนิเกเข้าทำไมแกไปทำอย่างเพราะแกได้ว่าไอ้ด้านมันโจรจริงๆแต่ได้ว่าพระเอกนะเป็นคนของแกพวกของแกแกชอบใจไปทุบโจรเพราะหาว่ามันเป็นโจรแต่ความจริงเขาแสดงเขาเล่นกันสนุกสนุกข้างนอกก็ทำท่า เกลียเคี้ยวเคี้ยวกันหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแต่พอเข้าไปหลังจากก็ไปนั่งกินเบียร์ปวดเดียวกันต่อไปคุยกันสนุกสนานเอฮาต่อไปเขาไม่ได้โกรธกันเขาไม่ได้เกลียดกันแต่เขาแสดงเขาแต่งโกรธแต่งเกลียดให้เราเห็นคนเราถ้าโกรธจริงมันเป็นทุกข์ถ้าเกลียดจริงมันก็เป็นทุกข์รักจริงก็เป็นทุกข์ชอบจริงมันก็เป็นทุกข์เหมือนกัน แต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราแต่งแต่งความโกรธหรือว่าเราแสดงอาการโกรธแต่ใจแท้จริงไม่ได้โกรธอะไรเราแสดงความเกลียดแต่ใจแท้จริงไม่ได้เกลียดแสดงความรักแต่ใจแท้จริงไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าแต่งกิเลสไม่ให้กิเลสแต่งเราถ้ากิเลสแต่งเราก็มันเป็นจริงตามที่กิเลสแต่งโกรธจริงๆริรักจริงจริงเกลียดจริงๆ มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์แยกรอนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้จักเรื่อย่างนั้นพระท่านเชิงสอนว่าอย่าให้ความโกรธแต่งเราแต่เราแต่งความโกรธคือทําเป็นโกรธแต่เนื้อแท้ไม่ได้โกรธแสดงหน้าท่าทางพูดจาเหมือนกับโกรธนั่นแหละแต่ว่าในใจไม่ได้โกรธอะไรอย่างนี้เราสบายไม่มีปัญหารักก้หวานกัน ทำท่าไปงั้นรักไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้รักจริงจังอะไรไม่ได้รักด้วยความยึดถือไม่ได้รักด้วยความติดพันห่วงใยอาลัยอาวรมันก็ไม่มีความทุกข์แม่คนนั้นจะป่วยจะเจ็บไปก็เราไม่ต้องเป็นทุกข์เรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเกิดมามันก็ต้องป่วยต้องเจ็บต้องตายธรรมดามันเป็นอย่างนั้น เหมือนที่เราสวดทุกวันทุกวันสเปสัส่งฆ่าราบทสวดพิจารณาสังขารตอนตายบทนี้แหละดีมากให้เอาไปสวดบ่อยๆคิดบ่อยๆที่บ้านคิดบ่อยๆเพื่อปลอบใจตนเองให้เห็นว่าริงทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรมันเป็นอนัตตาไม่มีเนื้อแท้อย่างไรแล้วตัวเราก็ไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เก่ามันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าแท้แล้วสิ่งที่สมมุตินั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ถาวรผลสุดก็ต้องแตกดับไปคิดไว้ล่วงหน้าบ้างว่ามันจะเป็นอะไรจะคิดถึงความแก่ว่า่อกหน้าคิดถึงความเจ็บไข้ว่ายว่วงหน้าคิดถึงความตายว้า่วงหน้า คิดถึงการพลดพลาดจากของที่เรารักเราชอบใจไว้ล่วงหน้าคิดแล้วก่อนนกว่า้าเป็นอย่างนั้นเราควรคิดอย่างไรเราควรทำใจอย่างไรเราควรจะเสียใจไหมร้องไห้ร้อง ห, องหมไหมไม่สมควรคนมีปัญญามีการศึกษาได้เข้าวัดเข้าวารักษาศีลกวางธรรมถตาไปร้องไห้ในเวลาเผาศพ เวลาพอเอาศพนะคนมักร้องไอตอนที่จะเอาศพก้าวเต้าพอเอาศพก้าวเต้าแล้วร้องไอเวลาอื่นไม่ร้องให้รับซองเฉยสบายอกสบายใจเยอะรับซองคนนั้นรับซองคนนี้เรื่อยไปแต่พอเอาศพก้าเต้าแล้วแหม่ร้องอะไรเนี่ยน้ําตาไหลอาบหน้าปากคนร้องดังๆร้องมายาอั่งนั้นไม่ใช่ร้องนะแต่ร้องเพื่อให้คนเห็นว่าฉันเสียใจที่คนแม่ตายไป คนนั้นตายกคนนี่ตายแต่พ่อก็เอาศอมาให้รับศองยิ้มมิกแล้วมายาไม่ใช่เนื้อแท้แล้วไปทํทาทําไมมายาอยางก็ไม่แสดงเราทําเป็นธรรมดาชีวิตไม่มีมายาไม่สแสดงในรูปอย่างนั้นแต่เราพิจารณาว่ามันก็ธรรมดาคนเราก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเผาต้องฝังกันไปตามธรรมเนียม สองอย่างเท่านั้นไม่เผาก็ฟังดอกนั้นก็ไม่มีอะไรใครจะเอาศพไว้บูชาก็ไม่มีมีแต่เผาไปฟังไปมีแต่พระบางองค์ตายแล้วก็ไม่เผาไม่ฝังเอาไว้หลอกคนเล่นต่อไปหลอ ก, กให้คนได้มาไหว้ได้สตังค์แต่เผ า, าเสรแล้วเดี๋ยวคนไม่มาวัดวัดก็จะลําบากยากจนเลยเก็บไว้ก่อนให้คนมาไหว้นี่เรียกว่าเอาไว้หลอกคนให้เป็นผีหลอกคนต่อไป พระที่มีชื่อมีเสียงเป็นหลวงพ่ออะไรนะเขามากักจะว่ายหลอกคนต่อไปอคนได้ไปไหว้ไปบูชาจะได้สตางค์แต่พอแล้วไม่มีใครมาวัด อ, อย่างนี้เพราะคนเหล่านั้นไม่ถึงธรรมะนับถือหลวงพ่อแต่ไม่ถึงคุณฑมก็เลยไปติดหลวงพ่อที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างกายไปติดอย่างนั้นแล้วก็ต้องไหว้ที่ร่างกาย ไม่ได้ไว่าใคุณทำคือความงามความดีคนเราที่จะดีจะดังจะเด่นนั้นมันดีดังเด่นเพราะอะไรเพราะความดีเพราะทําดีคิดดีพูดดีทดําดีอยู่อย่างคนดีตลอดเวลาคนก็เคารพนับถือบูชาไม่ใจบูชารูปร่างรูปร่างคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงไม่ถาวร อ, อะไร วันหนึ่งก็เหี่ยวแห้งร่วงโรยไปตายแล้วคนเน่าทั้งนั้นะที่จะไม่เน่ามันหายากเน่าทั้งนั้นแต่บางคนอาจจะไม่เหม็นเน่าแต่ไม่เหม็นคือมันแหง้งศพมันแหง้งไปเองไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความอ้วนไม่มีไขมันเนื้อมันน้อยเลยไม่เน่าถ้าคนอ้วนอวนเนื้อมากๆ ม, มันก็เน่ามันชุ่ะเวลาเปิดโลงก็มีกลิ่นกระจอกระจายออกไป แต่วัดนี่ไม่เปิดให้ใครดูเพราะว่ากลัวเชื้อโรคจะแพร่หลายมีเชื้อโรคพอเราเปิดก็กระจายเขา้าเข้าจมูกคนคนก็ชอบก็ยืนดูใกลๆไปสูดเอาอากาศเสียเข้าปอดมันไม่ถูกต้องไม่เปิดให้ดูบอกก็ไม่ต้องรู้ดูกันมาหลายสิบปีแล้วพอจําหน้าได้ว่ารูปร่างหนาดด้าตาเป็นยังไงนึกเขาเองก็แล้วกันแล้วก็ส่งข้าตเตาเผาไปเลย ไม่เปิดให้ใครดูคนชอบดูจะดูเป็นกั้งสุดท้ายดูทําไมครั้งสุดท้า ย, ด, ด, ายดูแล้วเอาไว้เสียเศร้าโศกไว้เสียใจดูทําไมถ้าดูแล้วมันถึงนิพพานแล้วจะเปิดให้ดูจะได้หมดทุกข์หมดร้อนกันเสียทีจะได้ลงได้วางลงไปว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่แต่คุณพ่อคุณแม่แล้วฉันก็ต้องตายเหมือนกันแต่เรานึกอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องเปิดดูไม่จําเป็นอะไร ทนี้คนเราไม่ไปติดบุคคลไม่ติดความดีความดีก็พระท่านสอนไม่ติดนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตาตาคตเนี่ยทรงรู้อะไรทุกอย่างแต่ตาตาคตไม่ได้ติดอยู่ในความรู้นั้นเหมือนแพรสาหรับข้ามผ้าแพรก็มีว่าสําหรับให้คนข้ามผ้าคนหนีข่าศึกศัตรูมาถึงแม่น้ําพอเห็นแพรกระโดดลงไปบนแพร แล้วจับไม้่อคำออกจากฝั่งคำไปโดยเร็วทอไปโดยเร็วก็หลุดพ้นไปขึ้นฝั่งโน่นปลอดภัยได้แต่ถ้าเราไปถึงลงแพรแล้วโอ้ยแพรนี่สวยไม้ไปลายลำใหญ่ๆอ้วนๆหนาดีกว้างดีไม้ไปลาย่อก็ยาวลึกถ้าอได้จนถึงแผ่นดินนั่งคิดอย่างนั้นเดี๋ยวข้าศึกจับเอาไปถนานเองเราไปมัวลงไหลแพ หลงไหลไม่ต่อแล้วบางทีสองแผลสามแผลแขยงกันไปเอาไปเปรียบเทียบว่าแปลฉันใหญ่กว่าแผลแก่แผลแก่เล็กกว่าของฉันไม่ต่อฉันใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าของแกมันเล็กมันไม่แข็งแรงไม่ได้เถียงกันแต่ในใจเถียงจากปากว่ากันก็เลยตีกันเลยตีกันร่อยไม่ไปเลือดไหลอาบลงไปในกลอง ไม่สามารถจะคข้าฟังได้เพราะการติดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าไปติดสิ่งนั้นอย่าไปติดบุคคลอย่าไปติดวัตถุอย่าไปติดอะไรต่ออะไรให้มันวุ่นวายแต่เราเอาธรรมะของท่านมาใชา้และอย่าไปติดธรรมะข้าไปอีกเพราะติดธรรมะติดหนักกว่าพราะองค์บอกว่าติดในรูป มันเล็กน้อยแต่ติดในคุณธรรมมันหนักกว่ารูปติดในความดีหนักกว่ารู ป, ปรวัตถุเพราะฉะนั้นม่ให้ติดทั้งสองอย่างปล่อยวางได้มองเห็นสภาพที่มันเป็นจริงได้ก็เป็นการปลอดภัยไม่เกิดปัญหาแก่ตัวแก่ผู้บุคคลอื่นแต่คนเราไม่เคยเข้าใจพระก็ไม่ได้สอนให้คนเข้าใจแต่สอนให้คนติดเพื่อดึงไว้เป็นพักเป็นพวก ได้เอาปัจจัยมาใช้โลดใช้นี่ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเราควรจะสอนให้เขาเข้าใจความจริงว่าสิ่งตั้งหลายไม่ต้องไปติดไปห่วงไปใหญ่พระพุทธเจ้าท่านตอบปัญหาพรหมามคนหนึ่งที่มาโทนถามปัญหาแล้วก็ถามว่าพระองค์สอนมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วธรรมะที่สอนมีมากมายเหลือเกินจำไม่ไหว จะย่อให้มันสั้นให้เหลือเพียงประโยคเดียวนี่จะได้หรือไม่ก็ถามอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตอบว่าได้ย่อสั้นเพียงประโยคเดียวก็ได้แล้วพระองค์ก็กัดว่าสปเปธรรมานาลังอภินิเวสายแะแปลว่าสิ่งตั้งพวงธรรมามัหมายความว่าสิ่งทั้งพวงตั้งติดเป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรก็ตาม ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งตั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือพูดอีกแค่นึงว่าเราไม่ควรจะยึดติดอะไรมากเกินไปจนเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนไม่ให้ยึดติดธรรมะก็ไม่ให้ติดอาจารย์ก็ไม่ให้ติดบุคคลก็ไม่ให้ติดเราถือเพียงแต่เป็นตัวอย่างชีวิตเช่นถือครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นตัวอย่าง ในการดําเนินชีวิตที่ถูกที่ชอบแล้วเอามาเป็นตัวอย่างปฏิบัติตามต่อไปวัตถุก็เหมือนกันเราไม่ไปติดไม่ติดหลวงพ่อเทวอ น, ไ ม, วอนไม่ติดหลวงพ่อชินาราชไม่ติดหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดนั่นหลวงพ่อวัดนี้แล้วไปกราบไหว้วิงวอนแบบปัญญาอ่อนไหวแบบปัญญาอ่อนคือไหว ขอร้องวิงบอลบนบานสารกล่าวให้หลวงพ่อช่วยให้ถูกไว้ถูกเบอร์สักทีเนี่ยอยากลีเกมาแสดงหน้าโบสถ์สักโรงหนึ่งจาหนังจอยักมาจายมันวัดูชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเป็นการกระทําที่ไม่ถูกไม่ตรงตามหลักพุทธศาสนาแต่คนไม่เข้าใจทําตามกันมาไปไหวไปบูชา มาวันเกิดสุรยุปราคาจันทรุปปราคาประจันตุราหูปทบังราหูไม่ใช่อะไรลูกเราเนี่ยเรียกว่าราหูดาวราหูก็เกิดลูกที่เราอยู่ก็เรียกว่าดาวราหูดาวสําคัญมีแปดดวงดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวราหูดาวเกดมีเก้าดวง เป็นดาวเครื่องกว่าดาวนบประเคราะห์เป็นดาวสําคัญดาวอาทิตย์ให้ประโยชน์มากให้ความร้อนให้พลังงานให้สิ่งต่างๆมีชีวิตชีวาอยู่ได้เช่นต้นไม้มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะมีแสงอาทิตย์ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ต้นไม้ก็ตายคนก็ตายอยู่ไม่ได้เพราะฉั้นแสงอาทิตย์ให้พลังงานให้ความร้อนให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ แล้วก็ลูกที่เราอยู่นี่คือราหูนี่ก็ให้ให้น้ำดื่มให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ยูกยาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราเราได้กินได้ใช้อยู่ก็เพราะอาศัยลูกคือราหูนี่ดาวราหูคือลูกที่เราอยู่นี่ลูกที่เราอยู่นี่ไม่ให้ร้ายใครไม่ประทุศร้ายใครไม่ข่าใครไม่ทําใครให้เสียหายอย่าไปเชื่อหมอดูปัญญาอ่อน ขบว่าคุณโมนี่เคราะหร้ายเคราหูกําลังจะเข้าเข้ายัางไง ร, ราหูมันจะเข้าคนได้ยังไงโรกมันใหญ่โตเราที่เหยียบราหูทุกวันเหยี่ยวรถ ร, ราหูขี่สายป ร, ราหูเอากะยาสกปรกไปเทรถปลาหูทําไม่เกิดเชื่อโรคมากมายราหูก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ลงโทษอะไรเรา แต่วัดตีทองโน้นวัดศีสะทองถือโอกาสวันสุจันทรุ ป, ปราคาบอกว่าต้องมาช่วยกันหน่อยไปช่วยใครช่วยพระจันทร์ไม่ใช่ไปบูชาพระราหูทำขนมดำดำเนี่ยทูบดำเตียนดำไก่ดำเจ้ากล้วยของดำดำะไปทำกับไปขายกันได้ข่าวว่าได้เงินเยอะเงินที่ได้ที่เป็นเงินสกปรก ไม่แช่เงินที่ควรดีใจไม่แช่เงินที่จะเอามาแช่บำรุงปัญญาแต่มันงูเราไปได้มาจากคนงูๆูใครไปไหว้พระราหูก็ไปคนงูคนปัญญาอดแล้วไปซื้อเทียนดำถูกดำไก่ดำของดำดำทั้งนั้นไปไหว้พระราหูก็ชอบความมืดเลยถตวายของดำดำซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณา แต่คิดด้วยปัญญาสักหน่อ ย, อยว่าอะไรมีแต่กองดำดำมืดมืดมันจะถูกต้องที่ไหนแต่คิดไม่ได้ไปยกมือไหวปุ่มพัมปุ่มพัมก่มมอร่องให้ถูกไว้สักนิเถอะแต่ราหูพูดด้วยแกกงดาวแล้วบอกแกแล้วมาขอข่าทุกเทียไม่ทำมาหากินมอแต่เสียงชูกเล่นการพนันเป็นบ้าเป็นหลังแล้วจะร่ำรวยได้ยังไงราหูด่าให้แต่าด่าได้นะ แต่นี่แกด่าไม่ได้ก็ทําแม่ด่าเนไม่ได้ติดเครื่องสาวสอนวัดที่ปากแทบบอกคนไปไหว้ก็เปิดเทพราหูพูดพูดดา่าด่าคนที่ไปไหว้นะตามอย่างนั้นแกกพระเข้าไปทําอีกเพราะกลัวคนจะไม่มาวัดไม่ได้สตางาเป็นอย่างนั้นพอให้คนมามากๆยิ่งโงูยิ่งนี้ชอบวัดบางวัดชอบสอนคนใหนงูเพราะตัางงูแล้วร่วงสตาง่งาย ฉลาดแล้วเอาอยากไม่เข้าใจความจริงทําคนให้ฉลาดหาเงินง่ายทําคนให้งูส้สีหาเงินยากมันต้องหลอกต้องต้มต้องตุนต้องมีวิธีแปลกๆหลอกกันไปเรื่อยๆวัดในเมืองไทยเรานี่หลอกชาวบ้านหลายวัดวัดในกรุงเทพก็หลอกบ้านนอกก็หลอกหลอกกันเรื่อยๆเพราะชาวบ้านยังงู้ยังโง่ไม่สอนคนให้ฉลาดให้มีปัญญา ผิดหลักการทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสในความถูกต้องแต่ที่เราไม่ค่อยสอนกนไม่ให้รู้ไม่ให้ตื่นไม่ให้เบิกบานแจ่มใสให้ง่อยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเพรา ะ, ะนั้นคนจึงไปไหว้ระราหูกันมากมายได้ปัจจัยพอสมควรมันไม่ถูกต้อง ในหลวงรักการที่สี่เรามีความรู้ทางคำนวณแต่คำนวณรู้ว่าจะเกิดสุริยุ ป, ปราคาเต็มดวงที่ประเทศไทยจะเห็นชัดที่ตมบนว่ากอะปราณบุรีจังหวัดประจวบกีรีกันเลยรับสั่งให้ไปสร้างพระปลาที่ประทับแล้วเชิญฝรัง่งสิงคโปร์มาเลเซีย อ่ะบรูนอินโดนีเซียต้องกลงมาดูกันเพืังนเขามามาดูสยุบราคาเต็มดวงกันในหลวงท่านเข้าไปไ ป, ไปพักท้างคืนที่นั่นแต่ว่ายุงมันไม่ปราณียุงที่นั่นมันมีเชื้อมาเลเรียมันกัดในหลวงแล้วกัดเจ้าฟ้าชายจุลาลงกรณมหาจุลาลงกรณรักการที่ห้านะ กลับมาเป็นไข้ไม่รู้สึกตัวเลยเวลาในหลวงสวรรคตเนี่ยสวรรคตด้วยโรคมาลาเรียที่ถูกยุงกัดติดต่ บ, บว่าคอเขากวาจะรอพระองค์เดินไปไม่รู้ว่าทำอะไรให้จับร ถ, รถน้ำพระบรมศพพระราชบิดาท่านไม่รู้เรียกว่าสลืมสลือไปเลยเพราะโรคมาลาเรียที่ไปดูที่นั่น โดูสุญญ์ปปราคาเต็มดวงยุงมันกัดไปนอนที่นั่นแต่หมายก่อนยุงมันนี่เดี๋วนี้ไม่มียงเป็นสวนสัประร่หมดแล้วยุงมันไม่มีที่น่นน้นํำก็แห้งหมดมันไม่มียงอันนี้ในเกินที่กลางวันที่เป็นสุญญราคาฝรั่งมาก็ได้ยินเสียงกรองเสียงตาโพลเสียงระฆังเสียงสวนบนเสียงปืนอะไร สนันบรนไหวนยนะพระรังก็ถามในหลวงว่าทําไมประชาชนเขาตีข้องตีกลองตีะงระฆังร่าทําไมต้องสวดมนต์ด้วยในหลวงท่านตอบเป็นท่านตอบว่าเขาคงจะดีใจว่าฉันดูแม่นว่าเวลานั้นจะมีสรยุ ป, ปราคาเขาดีใจเลยเขาสะดุดดีโดยการยิงปืนตีกรอกข้อไม้ความจริงไม่ใช่ คนมันงูวว่ระวชุยุปกระดาก็ตีกรอข้อไม้ให้ขอร้องไห้ราหูปล่อยปล่อยดวงจันทร์ปล่อยพระอาทิตย์อย่าอมไว้เลยว่าอย่างนั้นสมัยเด็กๆก็เคยร้องเขาสอนให้ร้องใอ้ปล่อยพระจันทร์อย่าไปอมไว้จะเดือดร้อนเอนเข้าใจเป็นเป็นคนไปความจริงมันเป็นเรื่องลูกเรื่องวัตถุ เงามันบังกันแล้วก็ไปไม่ไม่เข้าใจว่าเป็นเงาของโลกไปบังดวงอาทิตย์บังดวงจันทร์จรึงเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าราหูเป็นตัวเป็นตนเป็นยักษ์ธาอนเดียวท่อนเดียวมันจะอยู่อย่างไงเราคิดในแง่สรีและอภิธยาประโยชนไม่ได้คนไม่มีกระเพาะกินข้าวมันจะไปอยู่ตรงไหนไม่มีกระเพาะปัสสาวะจะไปเอาน้ําเยิยบไปไหวตรงไหน ไม่มีตับเพรแย่แล้วเพียงเราในปัจจุบันเป็นโรคตับพิการนี่ก็แย่แล้วทําไมจึงได้เป็นโรคตับพิการเพราะดื่มเหล้ามากดื่มเหล้ามากก็ตับพิการสูบูรีมากก็าปอดเป็นมะเร็งไเดี่ยเราหาเรื่องไปหาเรื่องอะไรเป็นโรคนะั้นไม่แช่ใครทําให้เราทำเอาเองแต่คนไม่เข้าใจก็ไปเที่ยวายวิณฑบอตขอร้อง บอบานสานกล่าววัดบางวัดอยู่ได้ด้วยความงู้แท้ๆอยู่ได้ด้วยความงู้ของประชาชนประชาชนไปไหว้ไปวิงบอลไปขอร้องไปบนบานสานกล่าวไม่ได้ทําคนให้ฉลาดแม้แต่น้อยสตังค์เยอะเอามาพิมพ์หนังสือเป็นแผ่นแป๊บเล็กๆแจกให้คนไปอ่านจะบ้างจะได้ฉลาดขึ้นยุคนี้มันไม่ฉลาดยุคไปข้างหน้าเรียกว่า ลกหลานจะได้ฉลาดเพราะ ร, รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ทำปล่อยอย่างนั้นจะได้เงินเอาเงินมาทำอะไรที่เป็นวัตถุอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่อยู่กันอย่างนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นพุทธบริษัทไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสตามแนวธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจอย่างนั้น อย่าไปเตือนเต้นกับไปถึงแล้วไหนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แม่ย่านางเรือต้นกล้วยตานี้แม่นม้นาําน้ําพุขึ้นมาไอ้นะ้ำธรรมดานา้ําพุในประเทศญี่ปุ่นผู้บ่อยๆพระภูเขาค่อยมันเยอะผู้ทีไรก็เกิดเรื่องทุกทีเขาไม่ได้ว่ายนา้ําพุเราญี่ปุ่นพอพุ่ยทีไรก็เกิดรอดทุกทีภูเขาไยระเบิดแผ่นดินไว้ บ้านเรือนเสียหายพังทลายยมดูในตรตทัพเวลาแผ่นดินไหว้เรือนบ้านทั้งหลังมันพังขึ้นลงไปคนก็ติดไปกับบ้านตายไปกับบ้านพังง่ายง่ายนี่เป็นไฟธรรมชาติไม่ใช่ว่าพระราหูแกโกรธเครื่องไคลแล้วแกทำอย่างนั้นไม่ได้โกรธไม่ได้เครื่องไคลแต่เป็นเรื่องธรรมชาติของแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดเกิดพายุมากร้าท่วมปีนี้น้ำท่วมมากทั่วโลูกขว่านได้น้ำท่วมลูกท่วมในประเทศต่างๆในยุโรปในอเมริกาท่วมเอเชียบ้านเราก็ท่วมอยู่ทางภาคตอนออกเฉียงเหนือท่วมใหญ่เลยไม่เคยมีน้ําท่วมมากถึงข น, นั้นี้จังหวัดฮูดรคอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดท่วมหมด คนลำบากเดือดร้อนท่วมไปแล้วก็มามาดูเก่าวประเทศอินเดียน้ําท่วมอีกเหมือนกันท่วมใหญ่ทุ่งนาเสียหายหัวควายตายคนตายเพราะ น, น้ําท่วมนี่เรียกว่าน้ําท่วมลูกเพราะมันท่วมตัวท่วมไปเรากรุงเทพก็อย่าประมาทนะมันอาจจะท่วมก็ได้ไม่วันใดก็วันใดบนมันตกหนักทางภาคเหนือตกหนักเชียงใหม่ แล้วมันก็ลดลงมาตามแม่น้ำเจ้าพยาถ้าจีนแม่กลองมาถึงกรุงเทพอาจจะมีน้ำท่วมก็ได้เกลียยเตรียมตัวไว้แต่น้ำท่วมเราจะทำอย่างไรบ้านเราอยู่ริมแม่น้ำจะทำอย่างไรต้องทำคิดทางหนีตีล่ายไว้วให้พร้อมว่าเกิเดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็เอาตัวรอดได้เพราะเรารู้จักหลบเป็นปีรู้จักหลีกเป็นหางมันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่เป็นมันก็เดือดร้อนนี่มันเป็นอย่างนี้ชาพุทธเราต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจม่มใสในธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะมาใช้เป็นหลักเป็นแครื่องวินิจฉัยอะไรเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาด้วยอักความจรงิงพิจารณาว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นเกิดเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้วให้ทุกข์อย่างไรให้โทษอย่างไร เราควรจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนต้องคิดแต่มันถูกต้องพูดแต่ถูกต้องทำให้ถูกต้องสิ่งตั้งหลายก็จะไม่เป็นพิษไม่เป็นไปมากเกินไปแม้จะเป็นพิษเราก็รู้ว่ามันเป็นพิษเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ห้ามไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้น หรอหลักตาตาที่ท่านพุทธเตะบ่อยๆว่าตา ต, าตาตามันเป็นเช่นนั้นเองเราต้องเอาคำนี้มาปลอบโยนจิตใจเวลามีอะไรขึ้นก็พูดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองธรรมาชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละเราหนีไม่พ้นเพราะเราอยู่ริมแม่น้ำก็ต้องท่วมเป็นธรรมดาเราหนีไม่พ้นเราอย่าไปไปทุกข์กับมันเลยเตรียมตัวหนีกันไปโค ไปอยู่ที่ไหนปลอดภัยเราก็ไปอยู่พอไปได้ก็รีบไปถ้าไปไม่ได้ก็ขึ้นไปนั่งจับยาวอยู่บนหลังคาเป็นนกกรหลังคาต่อไปก็เท่านั้นเรื่องตั้งหลายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรารู้ทันรู้เท่าเราแก้ไขปัญหาได้ในเรื่องชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาในฤดูการเข้าปัรษาต้องศึกษาให้เกิดปัญญา เกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่าอยู่ด้วยความหลงปิดความเข้าใจปิดในเรื่องต่างๆอย่าเชื่อสิ่งต่างๆด้วยงม ง, งายแต่เชื่อด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีเหตุผลไม่ให้เชื่อง่ายไม่ให้เชื่อได้ไม่มีครูอาจารย์ไหนที่จะสอนลูกเสร็จควาแม่คำของเราก็อย่าเชื่อพระพุทธเจ้าตั้งกัดถึงขนาดนั้น ถึงขณะที่วา่าแม้ตถาคตพูดเองก็ อ, อย่าเชื่อแต่ให้เชื่อโดยปัญญาของตนเอง<ม>เชื่อโดยเอาไปคิดไปกรองให้เห็นชัดด้วยตัวเองแล้วจึงลงใจเชื่อเวลาพระองค์เทศแล้วถาบพระองค์ถามว่าเชื่อไหมผู้ฟังตอบว่าไม่เชื่อพระองค์ไม่ว่าอะไรไม่ได้แชงชัด ก, กระดูกอะไรไม่แจ้งว่าไม่เชื่อแกจะตกนรกแกเป็นคนบาปหนาไม่ได้ว่าอย่างนั้น แต่บอกว่าถูกต้องแล้วคนมีปัญญาเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ต้องคิดอย่างรอบคอบหาเหตุหาผลให้มันเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ่มแกใครมาพูดอะไรกับเราเอาล่าวอะไรมาบอกเราเราอย่าไปเชื่อก่อนต้องนึกสงสัยไว้ก่อนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือมันจะเป็นจริงดังนั้นหรือแล้วเราก็คิดด้วยปัญญา คิดคนเดียวไม่พอต้องไปปรึกษาคนที่ฉลาดกว่าเราเจนมาวัดมาตามพระพระที่ฉลาดท่างก็สอนให้เราฉลาดแหละแต่ปลางโงูก็สอนให้เรากู้ต่อไปให้เราทำสิ่งที่ไม่ในสาระต่อไปามันเป็นอย่างนั้นเราจึงควรจะไปหาผู้รู้เป็นที่ปรึกษาในปัญหาต่างๆแล้วจึงจะลงใจเชื่อไม่ถูกหลอกคนในเมืองไทยเนี่ถูกหลอกกันทุกวัน หลอกให้ไปทำงานเป็นคนเป็นร้อยๆคนถูกหลอกไปตั้งร้อยหลอกไปตั้งบริษัทรับกว่ากันจะได้ดอกมากๆคนก็มาขวากันความจริงก็หลอกกันมาบ่อยๆหนังสือเพ็มลงกาบ่อยๆวิทยุก็ประกาศบ่อยๆไอ้พวกนี้มันพวกไม่มีหูไม่มีตาไม่มีหูไม่มีปัญญาจะคิดพอกเข้าไปพูดอะไรก็เชื่อ ไปกวาดเงินให้เขาแล้วเขาก็…ปิดสำนักงานหนีไปเช่เลยก็ไม่ได้อะไรจะไปป้องร่องก็ไม่ได้มันหายไปแล้วเนี่ยพอนที่พาะถูกหลอกมีบ่อยๆนั่งอยู่ดีๆกับบ้านไกลมาถึงมาชมเราแหมคุณไี่ดูลักษณะท่าทางเป็นคนมีบุญหนักสัตว์ใหญ่ระวังเลยแต่มันขึ้นต้นอย่างนั้นแล้วระวังวมันจะมาหลอกเรามาต้มเราแล้วไม่วิธีใดก็วิธีนึงอ่ะ แล้วมันจะพูดยอ่อให้เราลืมตัวพอเราลืมตัวเราก็ไม่รู้เรื่องมันก็ป้อนข้อมูลที่ปิดๆให้เราเรารับควาเชื่อแล้วก็ให้เขาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ถูกหลอกบ่อยๆเป็นสมภารเจ้าวัดก็ถูกหลอกโยมเอาเอาอะไรไปหลอกได้หลอกง่ายนะหลอกพระพระนี่ซื่อๆหลอกง่ายแต่พระมีปัญญาเขาไม่ถูกหลอกเท่าไหรเรื่องมันเป็นงานเรานั้นต้องคิด ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าอะไรจะเกิดเกิดในวัดเกิดจากพระก็อย่าไปเชื่อง่ายๆอย่าเชื่อว่าพระทำถูกทำดีอะไรแบบไปเชื่อพระบางองค์อ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษวิโสอย่าไปเชื่ออ้างอย่างนั้นอ้างทําไมอ้างเพื่ออะไรมีแผนการนะอ้างเป่นแผนการจะได้ให้คนหลงให้คนมอวเมา ให้คนเข้าแจปิดแล้วจะได้มาทำบุญกับตนมากมาก่ีแผนแต่ไม่มีแผนก็ไม่หลอกอย่างนั้นพูดตรงไปตรงมาตามเรื่องที่ควรรู้ควรเข้าใจเราฟังแล้วก็ได้เกิดปัญญาเกิดความคิดความหมายถูกต้องในฤดูข้าวพรรษานี้จึงขอให้เราอยู่ด้วยปัญญาอย่าอยู่ด้วยความงู่ความเร่อยู่เพื่อความก้าวหน้าช่าอยู่เพื่อความล่าหลังไกล อยู่เพื่อความเบิกบานแจ่มใสในความงามความดีที่เราได้คิดได้พูดได้ทำได้ก็บาสมาคมในตามที่จุพี่ชอบอยู่ตลอดเวล า, าแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอจบไหวแต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอญาตโยมทั้งหลายจงเจริญ่อกงามในสติปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จองทั่วกันทุกท่านทุกคนกกกเธออาตอนนี้ไปนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็หายใจเข้ายาวลึกหายใจออกจนหมดลมที่หายใจเข้า หายใจเข้าออกยาวๆกำหนดรู้ง่ายแล้วกำหนดตามลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเวลาห้านาที